นัามาฟังเพลงนี้บอบอกก็หูทันทีว่าเพลงนี้เป็นแนวใดธรรมะธรรมโมใส่ดนตรีก็ยังพอให้ฟังแล้วม่วนใจธรรมะยุคใหม่ต้องอย่างนี้ธรรมะแนวนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิต ถูกผิดฟังแล้วคิดกันแนต่ตีแนวเพลงลูกทุ่งลูกกรุงมอลำสตริงฟังกันละมิดอริงคือสิแมนมวนลาโก้ลายเดฟังเพลงฝรั่งดังดังบาดมาฟังเพลงทําคือสิเชื่อ ย, อยากอ้ายโอ้ยขอทอ อยากสาใจแคบลายมาฟังเพลงอ้ายชีย้ทำนำทางสุขีได้ยินธรรมะเปิดขึ้นยามใดจักว่าเป็นจังใดพากันเฝ้ามุนนี้ก็คิดเบืองหน้อยากให้ฟังแต่เรื่องดีๆคือมาเฮ็ดอ้ายจังสีเงียบสีีเลยเพลงธรรมะ เพลงฝรั่งดังดังบาทมาฟังเพลงทาคือสิเชื่ อ, อยากอายโอ้ยขอทอเธออยากสะใจแคบลายมาฟังเพลงอ้ายชียทํานำทางสุขีได้ยินธรรมะเปิดขึ้นยามใดจักว่าเป็นจังใดผ้ากันเฝ้า อยากให้ฟังแต่เรื่องดีดีคือมาเฮ็ดอายจังสีเงียบสิรีเลยเพลงธรรมา